วันนี้เป็นวันเสาร์ที่25สห้าเมษายนพุทธศักราช2569เป็นวันหยุดทำงานของสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมผู้ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจทาที่จะามาฝากท่านในวันนี้ก็คือเรื่องหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรการที่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเรา เราจำเป็นที่จะต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติในการสร้างธรรมที่จะเป็นเครื่องมือที่จะมาทำลายความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปได้ถ้าเราไม่มีความขยันหมั่นเพียร ใ, ในการปฏิบัติมีความเกียจคร้าน ผลของการปฏิบัติก็จะไม่เกิดขึ้นมาถึงแม้ว่าเราจะได้ศึกษาลร่มเรียนกันมามากน้อยเพียงไรก็ตามการศึกษาเพียงอย่างเดียวยังไม่พอในการที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้การจะดับความทุกข์ภายในใจให้หมดสิ้นไป จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติสร้างธรรมที่จะเอามาใช้ในการดับความทุกข์ต่างๆธรรมที่พทธเจ้าทรงสอนให้เราพยายามสร้างขึ้นขึ้นมาก็คือการรักษาศีล<ม>การไม่ทำบาปโดยเฉพาะการรักษาศีลแปดขึ้นไปถ้าเราอยากจะปฏิบัติธรรม เพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆสีห้านี้ยังมีกำลังไม่มากพอที่จะสนับสนุนการเจริญสติเพื่อจะได้ได้สมาธิจากการนั่งสมาธิและการเจริญปัญญาตามลำดับต่อไปจาเป็นที่จะต้องเริ่มต้นที่การรักษาสีน่แปด การรักษาศิ้นแปนนี่ก็คือการละเว้นจากการทำบาปและการละเว้นจากการหาความสุขทางรูปสียงกลิ่นรสผลถาพะชนิดต่างๆนั่นเองอย่างน้อยทอี่หนึ่งควรจะมีการรักษาศิ้นแปนมีการให้เวลากับการเจริญสตินั่งสมาธิเจริญปัญญา อย่างต่อเนื่องอาทิตย์ละหนึ่งวันเป็นวันที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดบัญญัติขึ้นมาที่เราเรียกว่าวันพระวั น, นพระนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เราหยุดการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหยุดการหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพลาชนิดต่างๆแล้วให้ ม า, มาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันเริ่มต้นด้วยการรักษาศีลแปดศีลแปดนี้จะห้ามไม่ให้เราหาความสุขจากการเสพเลือดเสียงกิจลดต่างๆเช่นศีลข้อสามก็จะห้ามไม่ให้เราร่วมหลับนอนกับใครให้ถือศีลพรหมจรรย์แล้วก็ศีล สินข้อหกก็ไม่ให้เราหาความสุขจากการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มต่างๆแล้วก็ศีนข้อเจ็ดไม่ให้เราหาความสุขจากการดูมหรสพ บ, บันเทิงต่างๆและความเสริมความงามของร่างกายด้วยเสือ้อผ้าผ่อนที่สวยสดงดงามวิจิตรพิสดารและน้ำมันน้ำหอมเครื่องสมอ า, างต่างๆเป็นต้น ไม่ให้เสียเวลากับการหาความสุขเหล่านี้เพราะเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะไม่ให้ความอิ่มความพอกับจิตใจเป็นความสุขแบบยาเสพติดเสพแล้วก็จะติดเวลาไม่ได้เสพก็จะทุกข์การเสพความสุขจากรูปเสียงกิ่นลดไม่ใช่เป็นวิธีการดับความทุกข์ แต่กับเป็นวิธีสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆจึงจำเป็นที่จะต้องเลิกการหาความสุขแบบนี้เพื่อมาดับความทุกข์ภายในใจเพราะมันดับไม่ได้ดับได้เดียวๆเวลาที่เรามีความทุกข์ใจเราก็ไปเที่ยวกันไปดูหนังฟังเพลงกันไปกินไปดื่มกันความทุกข์ในใจก็อาจจะหายไปชั่วคราว แต่พอเรากลับมากลับมาอยู่ที่เดิมกลับมาที่บ้านของเรากลับมาอยู่คนเดียวความเศร้าความรู้สึกว่าเวเศ้าสร้อยองเงาเงาด้อความทุกข์กับเรื่องราวต่างๆก็จะกลับคืนมามาอีกเพราะการหาความสุขแบบนี้ไม่ได้เป็นวิธีการดับความทุกข์นอกจากไม่ได้ดับความทุกข์แล้วกลับสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นอีก พอเราอยู่คนเดียวเราก็จะเกิดอาการรู้สึกว้าวเวยเศร้าสร้อยเางาหเหงาขึ้นมาบางทีถ้าบางทีเป็ น, นมากๆก็จะเกิดอาการเสืมเศร้าขึ้นมาจึงต้องคิดต้องจึต ง, ต, งต้องวิ่งไปหาลูปเสียงกลิ่นรสมาเสร็จเรือไดถ้าหาได้ก็ก็ช่วยบรรเทาความเสื่มเศร้าวไว้ชั่วคราวแต่ถ้าหาไม่ได้ก็จะเพิ่มความซสืมเศร้าให้เพิ่มมากขึ้นไปภายในใจ แล้วเราต้องมีวันหนึ่งที่เราจะต้องไม่สามารถหาความสุขจากรูปเสียงกิจลดตามที่เราต้องการได้เสมอไปเพราะเครื่องมือคือตาหูจมูกมิ้นกายคือร่างกายของเราก็ต้องแก่ชราลงไปเรื่อยๆความสามารถที่จะใช้ร่างกายในการหาความสุขจากรูปเสียงกิจลดตา่าง ๆ, ๆก็จะลดน้อยถอยลงไปตามลําดับ ถ้าไปเจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยิ่งทำให้การหาความสุขจากรูปเสียงหินทันี้แทกจะเป็นไปไม่ได้เลยก็จะเพิ่มความทุกข์ขึ้นมาทุกที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วทุกที่เกิดจากความชราแล้วยังมีความทุกข์ที่เกิดจากการไม่ได้เสพโรคเสียงหินต้ต่างๆดังนั้นเราต้องพยายาม ละเว้นการหาความสุขจากโู้เสียงกลิก่นลดเป็ี่ยนาหาความสุขในการจากการทําใจให้นิ่งให้สงบเพราะเป็นความสุขที่ยั่งยืนมั่นคงถาวรถ้าเราได้มันแล้วมันก็จะอยู่กับใจเราไปนานๆและเราสามารถผลิตมันขึ้นมาอยู่เรื่อยๆได้เพราะว่าความสุขแบบนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือสิ่งที่จะเป็นเครื่องมือก็คือ การรักษาศีลแปดการความขยันหมั่นเพียรในการเจริญสติตลอดทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับให้เรามันเจริญสติควบคุมใจควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยอย่าให้ปล่อยให้ใจคิดเพ้อเจอ้อเพ้อฝันอย่าปล่อยให้ใจคิดไปหาความสุขจัง รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอย่าปล่อยให้ใจไปคิดหาราบยศสรรเสริญเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นเครื่องมือในการจะดับความทุกข์ใจแต่เป็นเครื่องที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ใจเพิ่มมากขึ้นไปเพราะราบยศสรรเสริญสุขนี้มันเป็นของไม่แน่นอนเป็นอนิจจังมีเจริญมีก็มีเสื่อมได้เวลาเจาริญก็จะให้ความสุข เวลาเราเจริญในราบยศเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสความสุขก็จะเกิดขึ้นมาพอเวลาที่มันไม่เจริญเวลาที่มันเสื่อมความเศร้าก็จะตามมาความเสียใจก็จะตามมาความทุกข์ก็จะตามม า, าทันทีแล้วเราก็ไปห้ามมันไม่ได้มันเป็นของของธรรมชาติที่ต้องมีการเจริญมีการเสรื่อมสลับกันไป บางเวลาเงินทองก็หาง่ายบางเวลาเงินทองก็หายากบางเวลายศตําแหน่งก็มาง่ายบางเวลายศตําแหน่งก็มายากมขีขึ้นล ง, ลงมีจอดมีดับถ้าเราไปยึดสิ่งเนี้เป็นเครื่องมือให้ความสุขพอมันไม่เจริญมันเสื่อมเมื่อไหร่เวลานั้นแทนที่จะได้ความสุขก็จะกลายเป็นได้ความทุกข์ไป ยังไม่ควรที่จะปล่อยให้ใจคิดไปแสวงหาโลกกระททั้งสี่นี้คือลาบยศสนเสริสุขกันพยายามควบคุมใจให้หยุดคิดให้ได้คิดให้น้อยที่สุดถ้าเป็นวันที่เราไม่ต้องทํางานเช่นวันพระซึ่งสมัยนี้วันพระมันก็ไม่ตรงกับวันหยุดทํางานของเราเสียด้วยสิ่งที่เราต้องทาก็คือเราต้องเปลี่ยนวันพระให้มาตรงกับวันหยุดทํางานของเราเช่นวันนี้ วันนี้เป็นวันเสาร์วันหยุดทำงานเราแทนที่เราไม่ต้องไปทำงานทำการแทนที่เราจะไปหาความสุขจากราบยศชนะเสริญจากรูปเสียงกิเรสลกันเราก็เปลี่ยนวิธีมาหาความสุขจากการมาวัดกันมาปฏิบัติธรรมกันมาเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับคอยควบคุมความคิดแล้วก็ว่างเมื่อไหร่เวลาใดไม่ต้องทาอะไร ก็นั่งสมาธิไปนั่งฟังเทศฟังธรรมไปนั่งสมาธิกันไปสลับกันไปเอาจากการนั่งสมาธิมาก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมต่อจะเดิญสติตลาดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในเรียาบทใดจะเดินจงกรมก็ต้องมีสติจะนั่งสมาธิก็ต้องมีสติจะทำมาจะทำจิตกรรมต่างๆทางร่างกายก็ต้องมีสติ ใช้สติในรูปแบบได้หลายรูปแบบด้วยกันเช่นมีการบริกรรมพุทโธก็เป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งเรียกว่าพุทธานุสติการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายในทุกกิริยาบทก็เรียกว่าอากาศตาสติให้มีอะไรผูกใจไว้ให้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นเองเป้าหมายก็คือต้องการหยุดความคิด หรือปรับความคิดให้น้อยถอยลงไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วพอไม่ต้องทำอะไรก็มานั่งเฉยๆเพราะว่าการที่จะทำใจให้นิ่งสงบได้อย่างเต็มที่จำเป็นจะต้องนั่งเฉยๆนั่งกายต้องไม่มีการเคลื่อนไหวมีการกระทาเพราะถ้าน่างกาย ย, ยังมีการเคลื่อนไหวมีการกระทำอยู่จิตก็ต้องเป็นผู้ทำงานนี้ เป็นผู้สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวถ้าเราต้องการให้จิตนิ่งไม่ต้องการให้จิตเคลื่อนไหวเราก็ต้องให้ร่างกายอยู่เฉยๆไม่ให้ร่างกายเคลื่อนไหวเพราะถ้าถ้ามีการเคลื่อนไหวของร่างกายก็เท่ากับการมีการเคลื่อนไหว <sic> <Cameron. S 1> ของใจใจเป็นนายกายเป็นบ่าว <W. S 1> ใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวในรูปลักษณะต่างๆถ้าเราต้องการให้ใจอยู่นิ่งๆน่ง ไม่คิดไม่ทำอะไรเราก็ต้องให้ร่างกายอยู่นิ่งๆก่อนให้กายอยู่เฉยๆก่อนให้กายสงบก่อนแล้วเราถึงจะทาใจให้สงบนิ่งได้อย่างร้อยเปอร์เซน์แต่ในขณะที่เรามีการกระทำงานต่างๆที่ยังจำเป็นอยู่เช่นการอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันการแต่งเนื่อแต่งตัวการทำความสะอาดที่อยู่อาศัยการ รับประทานอาหาร ก, การทําธุรกิจทําบ้านเช่นซักเสื้อผ้าหรือทําอะไรต่างๆต้องให้มีสติจดจอ่ออยู่กับงานที่เราทําเพียงอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือไม่เช่นั้นก็ให้ใช้มีคําบริกรรมพุโทโธกํากับไปซักเสื้อผ้าไ ป, ไปแล้วพุทโธควบคู่ไปรับประทานอาหารก็พุทโธควบคู่ไปก็ได้ อย่งใดอย่างหนึ่งต้องมีสติคอยกํากับใจแล้วพอเวลาเรามานั่งสมาธิเพื่อให้ใจนิ่งสงบอย่างเต็มที่ใจก็จะนิ่งสงบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเข้าสู่ความสงบได้เข้าสู่ความสุขเวลาใจเข้าสู่สมาธินี้ความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความคิดปรุงแต่ต่างๆก็จะหายไปชั่วคราวอันนี้เป็นวิธีการ ดับความทุกข์แบบชั่วคราวดบดับด้วยสมาธิก่อนเพราะการจเจริญสตินี้มันง่ายกว่าการที่จ ะ, จะเจริญปัญญาที่เป็นวิธีการดับความทุกข์อย่างถาวรซึ่งถ้ายังไม่มีการดับความทุกข์แบบชั่วคราวก่อนการจะมาดับความทุกข์อย่างถาวร น, นี้มันเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลย เพราใจยังไม่มีกําลังถึงแม้จะมีกําลังของมีมีความรู้ว่าความทุกข์ต่างๆเกิดจากความอยากแต่เราจะไม่มีความกําลังที่จะไปะหยุดความอยากได้ถ้าเราไม่เคยเข้าสมาธิมาก่อนอแต่ถ้าเราเคยเข้าสมาธิมาก่อนแล้วเคยหยุดใจหยุดความอยากแบบสติแบบชั่อข่าวได้ก่อนพอเรามาศึกษาทางด้านปัญญาแล้วเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้น ถ้เกิดจากความอยากต่างๆของเราเราก็หยุดความอยากเหล่านี้เสียถ้าต่อไปความทุกข์ก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นอีกต่อไปอย่างนี้จะเป็นการดับความทุกข์อย่างถาวรเพราะดับด้วยปัญญาไปดับที่รากเหง้าของความทุกข์ของก็คือความหลงความหลงที่ไปเห็นว่าการทําตามความอยากนี้จะทําให้เกิดความความสุขขึ้นมา แต่ความเป็นจริงนล้วการทําตามความอยากนี้กลับทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกตัวพอได้กําจัดความอยากได้หยุดความอยากแล้วถึงจะถึงจะเข้าใจถึงจะรู้ว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากจริงๆเบื้องต้นเราก็จะหยุดความอยากด้วยการใช้สติก่อนเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์ แต่เรารู้ว่าเวลาทำใจให้เรานิ่งแล้วความทุกข์มันจะหายไปชั่วคราวเราก็มาหยุดก่อหยุดใจก่อนหยุดความคิดก่อนแล้วต่อมาพอเราหยุดความคิดได้แล้วแล้วต่อมาเราก็มาศึกษาทางปาัญญาล้วก็ค้นคว้าดูว่าความคิดแบบไหนเป็นความคิดที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาความคิดแบบไหนเป็นความทุกข์ที่ไม่ให้เกิดความคิดขึ้นมา เพรความคิดนี้มันมีทั้งที่เป็นฝ่ายฝ่ายดีก็มีฝ่ายดับทุกข์ก็มีฝ่ายสร้างความทุกข์ก็มีอืพอพิจารณาแล้วศึกษาจากพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะเปลี่ยนวิธีคิดของเราแทนที่จะคิดเพื่อให้เกิดความอยากเราก็คิดเพื่อให้มันม่ไ ม, ไมเกิดความอยากขึ้นมาคิดไปในทางความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะมันเป็นของไม่เที่ยงทุกว่าเราไม่สามารถสั่งให้มันเที่ยงให้มันอยู่กับเราเป็นของเราให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดมันจะต้องมีการเปลี่ยนใจไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองจะเป็นบุคคลต่างๆก็ตา่างเราไม่สามารถสั่งให้เขาให้ความสุขกับเราตลอดเวลาแล้วเราไม่สามารถ ยับยั้งให้เขาไม่ให้จากเราไปได้เวลาที่เขาอยากจะเวลาที่เขาจะจากเราไปเขาก็จะจากเราไปเฉยๆได้อันนี้เป็นเรื่องปัญญาซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดมากกว่าการการการเจริญสติสตินี้เพียงแต่คอยควบคุมไม่ให้คิดเท่านั้นเองแต่เรื่องปัญญานี้ต้องมานั่งวิเคราะห์แล้ก็ต้องดูเหตุดูผลจากการวิเคราะห์ คิดไปทางนี้แล้วทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาคิดไปในทางนี้ทำให้ความทุกข์หายไปเป็นคิดอยากจะมีแฟนพอคิดมีแฟนใจก็กระวนกระวายจะหาแฟนได้หรือเปล่าแต่ถ้ามาคิดว่าอย่าไปหาดีกว่าแฟนเป็ น, เ ป, นเป็นทุกข์มีแฟนแล้วก็ต้องทุกข์การอยากมีแฟนก็ทุกข์แล้วหยุดความอยากอยาไปหามันอยู่ก่าเราก็ไปหาความทุกขกันไม่ใช่ไปหาความสุขกัน พอเปลี่ยนใจไม่หาแฟนดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าพอคิดอย่างนี้ได้ความอยากก็จะหยุดไปความทุกข์ที่เกิดจากการกระวนกระวายการที่จะต้องไปหาแฟนก็หมดไปเพราะว่าถ้าเราไปหาแฟนแล้วมันเป็นทุกข์ตั้งแต่ขั้นต้นตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่มีแฟนเวลาไม่มีแฟนก็อยากจะมีแฟนก็ทุกข์ละ ้พอได้แฟนมาก็ต้องทุกข์กับแฟนนะเดี๋ยวแฟนดีกับเราบ้างแฟนไม่ดีกับเราบ้างแล้วเดี๋ยวแฟนอยู่กับเราบ้างเดี๋ยวไม่อยู่กับเราบ้างเดี๋ยวแฟนจากเราไปไม่กลับมาเลยบ้างของเหล่านี้มันเป็นทำให้ใจเราทุกข์ขึ้นนะของเหล่านี้เรต้องเราต้องนั่งวิเคราะห์ด้วยปัญญาถึงจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์ถ้าเราคิดไม่เป็นเราก็จะเห็นว่าการมีแฟนมีความสุข เห็นคนอืเขามีแฟนแล้วเขามีความสุขกันใช่เราไปเราไปเห็นตอนที่เขามีความสุขกันตอนที่เขาตีกันเรามองไม่เห็นะเราไม่มาทะเลาะกันนอกบ้านให้คนดูเขาจะออกมานอกบ้านเขาจะทำท่ารักกันดีทำให้คนอื่นเห็นแล้วอิจฉาริษยาอยากจะมีแฟนกันแต่เวลาเขาตีกันเขาทะเลาะกันนี่เขาตีกันในบ้านไม่มีใครรู้เวลาที่เขาเครียดเขาทุกข์กัน ไม่มีใครมองเห็นกันอนี้คือการใช้ปัญญามันถึงเป็นของยาก่าการใช้ใช้สติเมืองต้นเราถึงมาดับความทุกข์ด้วยการใช้สติก่อนเวลาใดที่เรามีความทุกข์ใจไม่สบายใจถ้าเรามีกําลังเจริญสติอย่างต่อนเนื่องหากข้ามจิตใจไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่เชื่อเก่านั่งหลับตาบริกรรมพุทโธพุทโธไป แล้วดูลมหายใจเข้าออกไปถ้ามีสติคอยกำกับใจให้อยู่กับพุโทโธอย่างต่อเ น, นื่องและอยู่กับการดูลมหายใจอย่างต่อเ น, นื่องไม่นานใจก็จะนิ่งสงบได้พอใจนิ่งสงบความทุกข์ที่เกิดจากความคิดต่างๆก็จะหายไปชั่วคราวทำแบบนี้ก่อนแบบความทุกข์แบบแบบสติก่อนมันง่ายมันไม่ยุ่งยากมันไม่ต้องใช้ความสามารถ ในเรื่องสติปัญญาความฉลาดใช้สติกำกับควบคุมใจไม่ให้คิดตรงแต่งด้วยการให้อยู่กับกรรมฐานคืออารมณ์ผูกใจอยู่กับพุทโธพุทโธก็เป็นกรรมฐานอย่างอยู่กับลมหายใจก็เป็นกรรมฐานอย่างผูกใจไว้อย่าให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อย หรือให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆดูที่ปลายจมกูกเข้าออกเข้าออกให้รู้เพียงคําว่าเข้าออกก็พอรู้ตอนนี้เข้ารู้ว่าตอออกดูแค่ตรง น, นั้นมีตรงที่มันเข้ามันออกไปอย่าปล่อยให้ไปคิดอะไรถ้าสามารถกบกับอยู่กับลมได้หรืออยู่กับพุทโธได้หัวใจก็เนื่งสงบได้หยุดคิดได้พอหยุดคิดความทุกข์ความวุ่นวายาตา่างๆก็จะหายไปชั่วคราว แต่ไม่หายไปตลอดหายไปเฉพาะเวลาที่ใจหยุดคิดแต่ใจก็ไม่สามารถที่จะหยุดคิดได้นานเพราะกำลังสติที่กำกับใจให้หยุดคิดมันมีกำลังไม่มากพอกำลังของสติอ่อนลงหมดลงใจก็เริ่มขึ้นเริ่มเริ่มคิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ต้องออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใหม่ ถ้าไม่้ฝึก้ไ ม, ไม่เจริญสติต่อ<ม>เดี๋ยวความเครียดความพุกงต่างๆก็จะเกิดขึ้นได้อีกงนั้นถึงแม้ว่าเราเข้าสมาธิได้แล้วเวลาออกจากสมาธิมาเราก็ต้องเจริญสติต่อไปออกจากสมาธิมาก็ต้องพุโทโธพุโทโธไปหรือเฝ้าดูว่าร่างกายกาลังทำอะไรอยู่จากท่านั่งลุกขึ้นมาเป็นท่ายืนจากท่ายืนนุกขึ้นมาเป็นท่าเดิน ก็ต้องเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปเรื่อยๆหรือบริการมพุดโธกากับไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้คิดตามการนิสัยเดิมที่ชอบคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆถ้าควบคุมไม่ได้เดี๋ยวก็จะเกิดคลางทุกข์ขึ้นก็จะต้องกลับมานั่งสมาธิใหม่อยู่ดีชูควบคุมใจไปเราก็จะสามารถไม่ต้องมานั่งสมาธิเรื่อยๆก็ได้ พอเรามีสติคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดแต่ถ้าเราอยากต้องการให้ใจนิ่งสงบให้มีความสุขมากๆเราก็ต้องกลับมาหน้าสมาธิมาอยู่อยู่เรื่อยๆต่อไปนี่คือการดับความทุกข์ในเบื้องต้นดับความทุกข์ด้วยการใช้สติเป็นเครื่องมือก่อนเพราะเป็นวิธีที่ง่ายไม่ไมยุ่งยากให้มีสติเราเลิกรู้อยู่กับกรรมฐานเพียงอย่างเดียว ท่านั่นเองแล้วใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาก็จะหายไปแบบชัว่วคราวหลังจากนั้นเราถ้าเราชำนาญในการเข้าออกสมาธิสามารถาารักษาใจให้สงบทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิได้หรือขณะที่ออกมาจากสมาธิ<ม>ยังสามารถควบคุมใจไม่ให้คิดไปถึงเรื่องราวที่จะสร้างความทุกข์ขึ้นมา นอกจากเวลาเผลอซึ่งเวลาเผอใจก็อาจจะไปเกิดความอยากกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาตอนนั้นถ้าเราอยากจะใช้ปัญญามาสอนใจให้เห็นว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากเช่นอยากได้แฟนพออยู่เฉยๆมีความสุขแต่พอไปคิดอยากจะมีแฟนขึ้นมาใจก็จะทุกข์ขึ้นมาได้ทันที เราต้องพิจารณาดูว่าเมื่อกี้เราอยู่เฉยๆเรามีความสุขแต่พอเราคิดอยากจะมีแฟนขึ้นมาใจเราก็เริ่มเริ่มวุ่นวายขึ้นมานะเริ่มไม่สงบขึ้นมานะเริ่มคิดว่าจะต้องทําอย่างไรึงจะได้แฟนจนเหมจะมีแฟนขึ้นมาแล้วมีแฟนแล้วมันมันสุขไปตลอดหรือเปล่ามแฟนให้ความสุขเราไปตลอดหรือเปล่าหรือแฟนเราก็เปลี่ยนได้ วันดีคืนดีเขาอาจจะโกดเราเปลี่ยนเราขึ้นมาก็ได้แล้วเราจะไปห้ามเขาได้ไหมเราก็ห้ามเขาไม่ได้แล น, นวันดีคื้นดีเขาหายไปก็ได้จากเราไปก็ได้มันมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาให้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงในทั้งสิ่งทุกอย่างคือความไม่เที่ยงอนัตตาเป็นสภาวะธรรมที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ถ้าเราไปอยากจะให้เขาเที่ยงอยากจะให้ อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราเราก็จะทุกขึ้นมา mm hmm. เพราะมันจะเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องหยุดความอยากเหล่านี้ mm hmm. อยาก mm hmm. อยากมีแฟน mm hmm. เลยจะดีกว่าอยู่คนเดียวจะดีกว่าตราบใดถ้าเราอยู่มีอะไรเราก็จะต้องทุกขกับสิ่งที่เรามีเสมอเพราะ mm hmm. สิ่งที่เรามีมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นสภาวะธรรมที่เราควบคุมบังคับไม่ได้มีเกิดมีดับมีจรมีเสื่อมไป mm hmm. เป็นธรรมดา mm hmm. นี่คือขั้นตอนของปัญญาแบบความทุกข์อย่างท้าวรต้องใช้การวิเคราะห์ให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี้มันเป็นความสุขแบบไม่แน่นอนบางทีก็ให้ความสุขบางทีก็ให้ความทุกข์กับเราและในทนี่สุดมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเพราะฉะนั้นอย่างมีอะไรดีกว่กภาวะธรรมทั้งปวงเป็นทุกข์<ม>เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ นี่คือหลักการคิดในทางปัญญาคิดแล้เห็นว่าทุกอย่างเป็นสภาวะธรรมไปหมดร่างกายก็เป็นสภาวะธรรมรูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นสภาวะธรรมลาบยศสรรเสริญก็เป็นสภาวะธรรมเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ที่จะต้องมีการเกิดดับมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆถ้าเราต้องการให้มันไม่เปลี่ยนแปลงต้องการให้มันดีอย่างเดียวจเจริญอย่างเดียว เราก็จะต้องผิดหวังเราก็ต้องเสียใจเราก็ยังต้องทุกข์ทรมานใจเวลาที่มันเกิดการเปลี่ยนแลงไป น, นี่คือการใช้ปัญญาการดับความทุกข์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การทําความเพียรของเราเราต้องมีความขยันหนักเพียรในการปฏิบัติธรรมอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งควรจะมีวันพระให้กับการปฏิบัติอย่างจรงิงจังทั้งหนึ่งวั น, นวันหยุดทํางานตั้งแต่ตื่นจนหลับหนึ่งวันกันหนึ่งคืน ให้เอาเวลานี้มาให้กับการรักษาศีลให้เวลากับการเจริญสติให้เวลากับการนั่งสมาธิถ้าเราไปถึงขั้นปัญญาเราก็ให้เวลากับการเจริญปัญญาถ้าเรายังเจริญปัญญาไม่เป็นก็ให้กับการฟังเทศฟังธรรมไปก่อนอาศัยปัญญาของผู้อาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้ามาสอนเราก่อนก็ได้แต่ต่อไปเราต้องคิดด้วยของเราเองคิดด้วยสติปัญญาของเราเอง มันถึงจะเป็นปัญญาที่แท้จริงนี่ก็คือเรื่องราวของการดับความทุกข์ด้วยความเพียรไม่มีความขี้เกียจดับความทุกข์ไม่ได้ถ้าเราองอมื อ, มองอเท้าพม่ยอมปฏิบัติมีแต่นั่งอธิษฐานขอให้หลุดพ้นจากความทุกข์ออขอไปจนวันตายก็ไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องหลุดพ้นจากการปฏิบัติเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจึงขอฝากเรื่องราวเหล่านี้ มาให้ท่านได้ยินได้ฟังได้พิจารณาเพื่อนมาไปปฏิบัติต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็อขอนุติตการแสดงไว้เพียงเท่านี้เพราะในลำดับต่อไปนี้เราก็จะมาปฏิบัติธรรมกันมาเจริญสติมานั่งสมาธิทาใจให้นิ่งให้สงบกันดับความทุกข์แบบชั่วคราวก่อนสร้างความสุขแบบชั่วคราวก่อนสมาธินี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นนิพพาน แต่เป็นนิพพานแบบชั่วคราวยังไม่ได้เป็นนิพพานแบบถาวรแต่เป็นนิพพานอยากถาวร น, นี้ต้องขั้นที่สองหลังจากได้สมาธิแล้วก็ใช้ปัญญามากําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจใจก็จะสงบอย่างถาวรก็จะเป็นเป็นนิพพานขึ้นมาแต่ตอนต้นเรามาทําความสงบแบบชั่วคราวก่อนทํา น, นิพพานแบบชั่วคราวก่อนด้วยการเจริญสติระลึกรู้อยู่กับกรรมฐาน อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราสามารถจดจ่ออยู่กับกรรมฐานอย่างต่อเ น, นื่องได้สี่ห้านาทีใจก็นิ่งสงบได้มีความสุขขึ้นมาพอนิ่งสงบแล้วเราแทบจะไม่ต้องทําอะไรใจไม่ดิน้นใจไม่คิดไม่อะไรใจอยู่เฉยๆใจให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวจนกว่าสติเราจะอ่อนลงพอเราเริ่มคิดขึ้นมาถ้าเราอยากจะให้สงบต่อเราก็ต้องหยุด หยุดความคิดต่อไปด้วยการจเจริญกรรมาฐานใหม่ต่อไปจเจริญสติใหม่ดูลมใหม่บริกรรมพุทโธใหม่แล้วเราก็สามารถกลับเข้าสมาธิใหม่ได้อีกรอบหนึ่งการนั่งสมาธิต้องหยุดคิดต้องมีสติเลิกเลิกวิโยกรรมาฐานคือพุทโธก็ได้ดูลมหายใจก็ได้ถ้ายัางดูลมไม่ได้ยังหายใจไม่ได้เพราะคิดมากยังฟุ้งซ่านอยู่ก็ให้อยู่กับการสวดมนต์ไปสวดมนต์ไปภายในใจ นั่งหลับตาสวดไปนั่งในท่าสมาธินี่แหล ะ, ะสวแดแทนที่จะใช้พุโทโธก็สวดมนต์ไปแทนสวนดบทไหนก็ได้สวดที่บทที่เราจําได้สวดไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหายฟุง้งแล้วสามารถกลับมาพุโทโธได้แล้วกลับมาดูลมได้ก็ค่อยเปลี่ยนมาดูลมแล้วมาพุโทโธใหม่แล้วก็อยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมต่อไปอย่าไปเปลี่ยนจนกว่าจิตจะสงบนิ่งแล้วก็จะไม่ต้องทําอะไรพอนิ่งสงบแล้วก็สัตว์แต่ว่ารู้ ให้นั่งรู้ให้รู้อยู่กับความสงบอยู่กับความสุขอันยิ่งใหญ่ตามตามลำดับต่อไปจนกว่าจะเอาอยากสมาธิม า, าวันนี้เราจะมานั่งสมาธิกันอย่าสนใจเวลานั่งสมาธิอะไรจะเข้ามาอย่าไปตามรู้เสียงเข้ามาก็อย่าไปตามรู้อารมณ์เข้ามาก็อย่าไปตามรู้กินเข้ามาความรู้สึก อ, อะไรต่าง ๆ, ๆเข้ามารู้ รูปภาพอะไรเข้ามาก็อย่าไปตามนู้ให้อยู่กับกรรมฐานเพียง อ, อย่างเดียวถ้าอยากถ้าไม่อยู่กับกรรมฐานใจจะไม่สงบเพราะถ้าไปตามนู้ใจก็จะต้องปรุงแต่งต่างสิ่งที่ไปปรุงไปรับรู้พ อ, อ, อไปปรุงแต่งมันก็จะทําให้ใจไม่มีวันสงบได้ยังต้องกลับเข้ามาอยู่ที่กรรมฐานเพียง อ, อย่างเดียวเพื่อไม่ให้คิดอะไรให้รู้เฉยๆแล้วต่อไปนี้เราจะมานั่งสมาธิกันเป็นเวลาประมาณยี่สิบ แปดนาทีด้วยกันอตอนนี้เวลาสําหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนจะเลิกโปรดสังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีไหมถ้าสงบดีก็จดจําวิธีนั่งของวันนี้ไว้แล้วคราวหน้าก็ใช้วิธีนี้ต่อได้จิตก็จะสงบเหมือนวันนี้ได้แกนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากจะไม่ทําให้มันสงบนะ ถ้าน่งยังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีกําลังไม่มากพอควรจะเจริญสติให้มากมากก่อนที่จะมานั่งสมาธิเราสามารถเจริญสติได้ทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาด้วยการบริกรรมพุทโธหรือด้วยการเข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเวลานั่งก็จะสงบได้ง่ายขึ้นและนานขึ้นแล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวาหะปุราตาลิกปุเรนติสักหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปะติอิทิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจัตโสัพเพปุเรนมตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโทิต ภราสุยาธาสพีตโยวิวาชันตุสัพพโลกวินาศตุมาเตภวตวันตราโยสุขีติขายุโกภวาอภิวาธนสีวิสานิจามุธาปจายโนจตารุธรรมวาทันติ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 วันนี้มีผู้รับฟังธรรมะนัากุติจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ236ท่าน YouTube พระอาจารย์สุชาติ291ย o u t บด e อกเร์วี49 c l ับ h o u s e 1วิทยุออนไลน์2นัากุติ146เริมทั้งหมด725ท่านค่ะคำถามจากผู้รับฟังนัากุติค่ะ เวลาเรานั่งสมาธิจุดรวมให้อยู่ที่ปลายจมูกนั่งไปสักพักครับสังเกตว่าจุดรวมเลื่อนไม่ได้อยู่ที่ปลายจมูกควรเปลี่ยนกลับมาที่ปลายจมูกใหม่ครับคนอยู่ที่เดียวนะไม่อย่าเปลี่ยนไปเป็นมาคำถามจากทาง youtube ดรวค่ะ แฟนผมทำงานให้กับบริษัทต่างประเทศประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเกรงว่าเขาจะตกอบายแฟนผมไม่ยอมลาออกผมทำอย่างไรดีครับแบบนี้เขาจะดึงผมตกอบายไปด้วยไหมครับไม่หรอกใครทำกรรมก็ต้องเป็นคนรับผลกรรมคนอื่นไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาไม่เกี่ยวข้องกันอยู่ที่ผู้กระทำถ้าจะทาร่วมกันก็ไปไปด้วยกัน ถ้าทคนเเดดีียยววก็ไปคคำถามจากทาง y o u t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะกระผมเคยภาวนาโดยใช้คำบริกรรมจนความนึกคิดของจิตนึกแต่คำบริกรรมขึ้นมาเองเป็นส่วนมากไม่ทราบว่ากระผมควรทำอย่างไรต่อครับมาทำต่อไปพยายามลดความนึกความคิดแท้น้อยลงไปเรื่อยๆให้เหลือแต่พูดโทีอย่างเดียวคำถามจากทางเฟ e บุ o k ค่ะ ตอ น, นึกคำบริกรรมพุโทโธสามารถนึกเป็นเสียงเราเท่านั้นหรือเป็นเสียงของพระอาจารย์ต่างๆได้คะ่ะบริกรรมเสียงของเราคนเดียวนะคำถามจากทางเฟ e บุ o k ค่ะแผ่นซีดีจากที่ทำงานซึ่งเก่าหรือใช้งานไม่ได้ ซึ่งจะต้องถูกทิ้งนั้นหากเรานำกลับบ้านเพื่อใช้ประโยชน์ในการแขวนไล่นกเราจะผิดศีลห้าไหมคะต้องขออนุอาจากเจ้าของก่อนคําถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะจะภาวนาอย่างไรให้เจริญรุญ่งเรืองยิ่งขึ้นไปคะทำให้มากยิ่งมากก็จะเจริญมากทำน้อยก็ได้เจริญน้อยอยู่ที่การกระทำ ความเพียรนี้สำคัญมากบางคนก็ทำงานมาเร็วภายในเจ็ดวันบางคนก็เจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปีความเพียรไม่เท่ากันคำถามจากทางเฟ e Book ค่ะเราต้องคิดอย่างไรอยู่บ่อยๆว่าเราไม่มีตัวตนเขาไม่มีตัวตนครับคิดว่าเราเป็นดินน้ำลมไฟร่างกายเราเป็นดินน้ำลมไฟเราผู้ใช้ร่างกายก็เป็นเพียงแต่ทารู้ คำถามจากทางยูทู e พระอาจารย์สุชาติค่ะเมื่อนิมิตเกิดขึ้นทำอย่างไรจะใช้ประโยชน์จากนั้นได้คะถ้ายังไม่รู้ก็ยังไม่ต้องไปยุ่งกับมันดีกว่าไม่สำคัญไม่จำเป็นต่อการดับความทุกข์ต่างๆคำถามจากทางผู้รับฟังหน้ากุฏิค่ะ เวลานั่งสมาธิพอจิตจะรวมแล้วร่างกายภวากระเด็นจากที่นั่งไปไมีวิธีแก้ไขไหมคะไม่ต้องแก้หรอกปล่อยมันเป็นไปไม่อะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดขึ้นไปเรามีหน้าที่มีสติรู้เฉยๆก็รู้ไปคำถามจากทางยูทูพระอาจารย์สุชาติค่ะตอนนั่งสมาธิใจไม่สงบ ฟุงไปทั่วสักพักก็มีสติกลับมามีลมกลับมาที่ลมหายใจควรปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปก่อนหรือควรปรับวิธีหรือไม่เจ้าคาก็ถ้าทำให้มันมีสติเร็วขึ้นก็รีบทำให้มันเร็วขึ้นจะดีกว่าพอเริ่มต้นก็ให้มีสติอยู่กับลมไปเลยก่อนจะนั่งเราตั้งเป้าหมายไว้ก่อนว่าต่ไปนี้จะดูลมอย่างเดียวไม่ไปที่อื่นแล้ก็จำเอาไว้พอนั่งก็ดูลมอย่างเดียวอยู่กับลมไปอย่างเดียว อะไรจะมาชวนไปคิดเนรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อย่าตามไปคำถามจากทาง y ยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะทําทานอย่างไรให้ได้บุญสูงสุดคะทําให้มากมากครับยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้บุญมากเท่านั้นคาถามจากผู้รับฟังน้ากุติค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะหากโยมไปที่พักในที่สถานที่งเงียบสงดัดแต่กลางคืนยิ่งเงียบเหมือนป่าชา้า และมีเสียงหรือแสงไฟแปลกๆโยมควรจะปฏิบัติอย่างไรโยมเคยใช้การดูลมและการดูขันห้าแบบนี้ถูกต้องไหมคะพอดูสังเกตที่ใจจะนานมากจนกว่าใจเริ่มนิ่งแบบนี้ฝึกถูกต้องไหมคะวิธีไหนก็ได้ที่ทําให้ใจนิ่งใจเฉยๆใจไม่ยึดตกกตอดตัวแล้วแต่เราจะค้นหาวิธีของเราเอง ข้อที่สองค่ะหากเราถือศีลทาทานภาวนาแล้วแผ่เมตตาให้ลูกอธิษฐานขอให้ลูกได้มีดวงตาเห็นธรรมแบบนี้ลูกทำได้ไหมเจ้าคแลรวโยมชอบพาลูกมาวัดหรือส่งคลิปธรรมะให้ลูกได้ฟังเป็นบางครั้งค่ะออของใครของมัน ท, ทาแทนก็เลยไม่ได้ ข้อที่สามค่ะเพราะเหตุใดการยึดมั่นถือมัน่นถึงแก้ยากมากและเป็นเรื่องละเอียดอ่อนบางทีกิเลสมาแล้วก็รู้ทันบ้างไม่ทันบ้างเราจะมีวิธีใดที่จะเข้ามาช่วยหรือรู้ทันกิรู้เท่าทันกิเลสได้ขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยเจ้าค่ะเพราะขาดปัญญาไม่คิดอยู่เรื่อยว่าทุกอย่างไม่เทีมมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับถ้ารว่าทุกอย่างมีเกิดมีดับ ความยึดติดมันก็จะไม่ยึดเพราะรู้ว่าถ้ายึดแล้วเวลาบรรดับมันจะทําให้เราเศร้าโศกเสียใจเน้นต้องหมั่นสอนใจอยู่เรื่อยว่าทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงมีมาแล้วก็มีไปเป็นของชั่วคราวเหมือนกับของยืมเข้ามายืมของเข้ามาแล้วเดี๋ยวเจ้าของก็เข้ามาขอคืนไปเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจคืนของให้กับเจ้าของไปคําถามจากทาง y o u ูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะ จิตแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำสามารถปฏิบัติธรรมช่วยได้ไหมครับก็ให้คิดพุดโทโธไปเลยช่วยได้ชอบย้ำคิดย้ำทำก็คิดแต่พุโทโธพุโทโธไปนั่งแต่สมาธิไปอาการที่เป็นอาการผิดปกติทางจิตก็จะหายไปจิต ก, ก็จะสงบว่างเย็นสบายมีความสุขย้ำคิดย้ำทำในสิ่งที่ถูกมันก็จะทาให้เกิด ผลดีย่ำคิดย่ทำทําในสิ่งที่ผิดมันก็จะทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมนาะย่ำคิดย่ำคิดในทางที่ถูกคือคิดถึงพุทโธคิดถึงอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันจะเปลีป่ยนแปลงชีวิตของเราเป็นจากหน้ามือเป็นหมังมือไปมีใครอยากจะถามไหมปหัญหาถามได้นะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดเพราะทุกคนนั่งอยู่เฉย มีสมาธิในการฟังพอเริกแล้วมันจะเป็นการเคลื่อนไหวคนลุกไปมาคนทำนู่นทำนี่มาถามตอนนั้นมันจะบรรยากาศไม่เหมาะต้องขอพัยแล้วไม่ว่างไม่สะดวกด้วยเพราะาอาจจะต้องทำอะไรอยู่ถ้าอยากจะถามถ้าอยากจะถามขอให้ถามตอนนี้เลยจะดีที่สุดมไม่ต้องกลัวไม่ต้องอาย<ม>ถ้าไม่อยากจะให้ใครเขารู้ว่าเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามากด คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะเวลานั่งสมาธิน้ำลายออกเยอะต้องคอยกลืนอยู่เรื่อยๆเป็นอุปสรรคต้องแก้อย่างไรครับอย่าไปกรืนปล่อยมันไหลออกไปเหมือนเหมือ น, นลมหายใจเที่ยวน้ำลายเป็นเหมือนลมหายใจลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกเราไม่ไปบังคับมันน้ำลายจะเข้าจะออกก็ปล่อยมันไหลไปตามเนื้อของมันไปเดี๋ยวเวลาค่อยมาเช็ดก็ได้มาล่างก็ได้ คนอย่างเราไม่เป็นหรอกเราไปวิตกกังวลขึ้นมาเองใช่ไหมพอเราไม่คิดถึงน้ําลายมันก็หายไปแล้วเรายิ่งคิดมันก็ยิ่งไหลใหญ่เหมือนอาการคันเนี่ยพอเ ร, เริ่มไปสนใจขนาดนั้นจากคันเล็กๆแน่นอนกลายเป็นคันใหญ่ขึ้นมาเลยแต่ถ้าเราไม่ไปสนใจกลับมาอยู่ที่พุโทโธพุโทโธเดี๋ยวเดียวอาการคันนี้ก็หายไปน้ําลายก็แบบเดียวกันพอรู้สึกว่าจะต้องเกิดน้นํำลายก็กลับมาที่พุโทโธทันที อยู่กับพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวเดี๋ยวอาการของน้ำลายก็หายไปคำถามจากทาง y o u t u b ปพระอาจารย์สุชาติค่ะเมื่อพิจารณาโครงกระดูกแล้วจะทำกระดูกอย่างไรต่อคะเอาไปแขวนไว้เวลยเรามองแฟนก็แค่มองโครงกระดูกของแฟนไปลมองเห็นใครก็เห็นโครงกระดูกของคนนั้นขอเราจะได้ไม่ไม่ไม่ไปหลงรักใครนะ ที่เราเราหลงรักคนเพราะเราไม่มองไม่เห็นโครงกระดูกของเขาถ้ารู้ว่ารักโครงกระดูกเนี่ยกําลังรักครงกระดูกอยู่นี่ไม่ไม่มีแฟนดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าใครอยากจะได้แฟนยกให้ก็ได้แต่เราก็คือโครงกระดูกดีๆนี่แต่มองไม่เห็นกัน mm hmm. ต้องนึกบ่อยๆเห็นบ่อยๆแล้วต่อไปจะไม่มีไม่อยากจะมีแฟนอยู่คนเดียวสบายกว่ามีแฟนก็ต้องห่วงแฟนทุกกับแฟน อืกังวลกับแฟนอะไรหลายแปดพันประการเราอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องห่วงใครเลยสบายใครจะเป็นใครจะตายก็ไม่ต้องกังวลเพราะความหลงไม่ไม่เห็นโครงกระดูกของแฟนถ้าเห็นโคงกระดูกตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นแฟนกันแล้วประกันไดน้ไม่มีทางที่จะเป็นแฟนกันได้ถ้าเกิดหนังที่ห้มหอ่อร่างกายนี้เป็นสายเหมือนเหมือนถุงพลาสติกนี่จะเป็นยังไง ลองทะลูเข้าไปเห็นโครงกระดูกเห็นตับไตไส้พูงเห็นปอดเห็นไตเห็นหัวใจเห็นลำไส้รับประกรันได้ว่าถ้าเห็นอย่างนี้แล้วจะไม่มีไม่มีใครอยากจะมีแฟนอย่างนี้คำถามจากทางเฟ e b o o k ค่ะเรื่องอดอาหารแก้ทางการภาวนากับกิเลสกี่วันถึงรู้ว่าเหมาะสมครับก็ ล, ลองดูเสิ ทำไปแล้วมันมันมนสติดีขึ้นสมาธิดีขึ้นก็ทำไปถ้าสติไม่ดีสมาธิไม่ดีก็อาจจะต้องพักก่อนหยุดก่อนคำถามจากทางเฟ e บุ๊กค่ะนั่งสมาธิภาวนาบทอิติปิโสแล้วภาวนาได้นานตัวเบาจิตนิ่งภาวนาแบบนี้ถูกต้องไหมครับก็ดีในระดับต้นๆ แต่ต่อไปเราก็ต้องหยุดสวนแล้วก็มาดูลมแทนแบริกรรมพุทโธแทนเพราะมันจะได้สงบมากยิ่งขึ้นหมดแล้วเลยยังไม่มีคำถามใหม่คะ่ะ okay. ถ้าไม่มีคำถามก็เอาท่านนี้ก่อนสำหรับวันนี้ขอให้ท่านโงนนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ เื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปเธอ